นอนหลับมีสติสัมปชัญญะมีอานิสงห้าอย่างภิกษุทั้งหลายภิกษุที่จำวัดหลับมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีอานิสงห้าอย่างคือ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่เห็นความฝันเลวสาม 4. เทวดารักษา 5. ้าน้ำอสุจิไม่เคลื่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่จำวัดหลับมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีอานิสงห้าอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้ารองนั่งเพื่อรักษากายรักษาจีวรรักษาเสนาสนะ